สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิอธิบาลนะครับในวันนี้อยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยเก้าเรื่องของการแก้แค้นครับอันตรายของการแก้แค้นนะครับพระเจ้าบันทึกไว้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่ห้าข้อที่สามสิบแปดจนถึงข้อที่สี่สิบสองครับมัทธิวบทที่ห้าข้อสาสิบแปดจนถึงข้อที่สี่สิบสองโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าทั้งหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้ว่าตาแทนตาฟันแทนฟันไฟเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่ว ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่านก็จงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เสื้อคุมแก่เขาด้วยถ้าผู้ใดจะเจนท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรถ้าเขาจะขอสิ่งใดจากท่านก็จงให้ย่าเมินหน้าจากผู้ที่อยากขอยืมจากท่านเห็นไครับอันต ร, รายของการ ตอบแทนหรือการแก้แค้นระเยซูได้ทรงอ้างถึงบรญจัติที่ได้บันทึกไว้นะครับในพระคัมภีร์เดิมเปเยซูได้พูดเริ่มต้นบอกว่าท่านทั้งหลายได้ยินคำซึ้นกล่าวไว้ว่านั่นหมายความว่าคาที่อยู่ในธรรมบัญญัติของโมเสสนะครับซึ่งบันทึกไว้อยู่ในพนระธรรมอเบยอบทที่21ข้อที่24ครับบันทึกอยู่ในเฉยธรรมบัญญัติบทที่19ข้อที่21และเลวีนิติบทที่24ข้อที่19ถึง20 เพือนครับผมจะอ่านสักข้อหนึ่งนะครับจากเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบเก้าข้อยี่สิบเอ็ดเพื่อที่จะได้เห็นถึงบริบทนะครับเพื่อที่จะได้เห็นถึงความรู้สึกนะครับในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่สิบเก้าข้อยีสบเอ็นะครับความว่าอย่าให้ในตาของท่านเมตตาสงสารควรให้ชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฝันแทนฝันมือแทนมือเท้าแทนเท้า พี่น้องครับอันนี้เป็นเรื่องราวของการกำจัดนะครับกาจัดคนชั่วออกจากชุมชนอิสัวเอลครับก็คือว่าใครก็ตามที่ได้ทำในสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะครับก็จะต้องได้รับผลของการกระทำนั้นนะครับคือตาแทนาตาฟันแท น, นฟันมือแทนมือเท้าแทนเท้าครับนี่คือพระบัญญัติแห่งการแก้แค้นนะครับ ข้อมายัดข้อนี้ได้ให้แก่โมเสสในสมัยเมื่อมีความอาคาตพยาบาทกันในหลายๆเรื่องหลายๆเรา่ระหว่างชนเผ่าต่างๆระหว่างครอบครัวต่างๆเมื่อมีบางคนบาดเี็บกับ่าตของเขาก็จะรวมหัวกันเพื่อแก้แค่ให้หนักยิ่งกว่าที่คนนั้นกระทำกับเขาข้อมาจัดข้อนี้มีกำหนดไว้นะครับคือตาแทนตาฟันแทนฟันมีไว้เพื่อป้องกันคนบริสุทธิ์ครับและ มีวัตถุประสงค์นึ่งก็คือเพื่อจํากัดออกเขตของการแก้แค้นไม่แก้แค้นนะครับมากเกินกว่าที่จะทําได้เห็นไหมครับใน เ, เรื่องราวของคนจีนนะครับในยุทธภพหรือในนิทานเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนั้นการแก้แค้นเนี่ยนะครับโดยพ้อยยิ่งการแก้แค้นแทนบุปการีการแก้แค้นแท น, น, น, นพ่อแทนแม่นะครับถือว่า เป็นการแสดงความกระทญอยู่แต่พี่น้องครับพระเยซูได้ทําให้กฎกดเกณฑ์หรือธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์ก็คือเมื่อพระเยซูได้ทรงเริ่มพัฒนาจิตของพระองค์นะครับการแก้แค้นหรือตอบแทนนะครับก็อยู่ในเรื่องของการจ่ายค่าตอ บ, รบหรือการชดใช้เงินนะครับเพื่อให้เป็นข้อยุติพระเยซูทรงต้องการให้ผู้ที่ตามพรนะองค์นั้นมีชัยชนะเหนือความปรารถนาในการแก้แค้นเพราะฉะนั้นพระเยซู จึงไม่เห็นด้วยกับการแก้แค้นนะครับในลักษณะของตาแทนตาฟันแทนฟันครับแต่พระเยซูได้กล่าวไว้ในข้อที่สาสิบเก้านะครับพระองค์บอกว่าย่อต่อสู้คนชั่วนะครับพระเยซูบอกว่าย่อต่อสู้คนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาแทนที่เราต้องตบกลับครับพระเยซูบอกว่าจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลจับเอาเสื้อผ้าของท่านไปก็เอาเสื้อคุมให้แก่เขาด้วย นะครับถ้าใครกเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรนี่คือการตอบสนองนะครับคนที่ทําไม่ดีกับเราประการแรกคืออย่าตกหน้าเขาตอบเมื่อเขาตบแก้นขวาเราในสมัยก่อนนั้นการตบแก้นนั้นถือว่าเป็นการจบประมาทมากครับไม่ใช่แค่ทําให้บาเดเจ็บเท่านั้นนะครับแต่ถือว่าเป็นการหมินประมาทนะครับศบประมาท คนที่ถูกสอบกลมาจะต้องไม่ตอบแทนครับแต่ต้องหันแก้มอีกข้างหนึ่งพี่น้องลองนึกถึงภาพของคนที่ถูกสอบกลมาว่าจะตกใจเพียงใดนะครับเขาจะมีความรู้สึกว่าถูกยามเหยียดถูกย้มเกลียดขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคนนั้นไม่ตอบแทนครับก็บหันแก้มอีกข้างหนึ่งให้แทน น, นนะครับคือวิถีของเทวียนสาวกของพระเยซูครับตัวอย่างประการที่สองในข้อที่สี่สิบครับ ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาลเพื่อปรับเอาเสื้อของท่านไปก็จงให้เชือกคุมของท่านแก่เขาด้วยพี่น้องครับบริบทนี้คือกล่าวกันว่าเชือกในสมัยนั้นจะมีลักษณะยาวๆทาด้วยผ้าลินินครับเรีวยกว่าเชือกชั้นในเชือกบางชนิดบางตัวก็มีแขนครับชาวยิวส่วนมากจะมีเชือกชั้นในมากกว่าหนึ่งตัวเพราะันดัดกล่าวว่าในศาลเชือกชั้นในของผู้หนึ่งผู้ใดนั้นถูกคลิปหรือถูกปรับจากปึงค่าปรับได้ครับ แต่เสื้อคลุมนั้นจะเอาไปจากเขาไม่ได้เพราะว่าเสื้อคลุมนั้นมีลักษณะเป็นเสื้อไม่มีแขนทรงสี่เหลี่ยมเป็นเสื้อชั้นนอกครับมีลักษณะหนาครับสามารถใช้ห่มร่างกายได้ในเวลากลางคืนเวลาเขาหนาวนะครับปกติแล้วชาวยูทั่อบายส่วนมากเนี่ยจะมีเสื้อคลุมเพียงตัวเดียวครับและใช้ห่มนอนนะครับเวลากลางคืนพี่น้องครับถ้าเขาทํางานเขาก็จะถอดเสื้อชั้นนอกนี้ออกนะครับเหลือแต่เสื้อชั้นในแต่ จะต้องส ว, สวมเสื้อคลุมนี้นะครับในเวลากลางคืนนะครับอบายย่อบทที่22เข้า26ได 6, ้กล่าวว่าถ้าเจ้ารับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกันจงคืนของนั้นให้เขาก่อนตะวันตกดินครับนะฮะจงคืนของนั้นให้เขาก่อนตะวันตกดินแสดงว่าบัญญัติของพระเจ้านี่นะครับรงแฝงไว้ด้วยความเมตตากรุณาครับพระเยซูก็ยังสอนอบอกเลยว่าจงแสดงตัวว่าท่านอยู่เหนือ บทบัญญัติถ้าผูา้ใดอยากฟ้องศาลเพื่อป ร, รับเอาเชื้อท่านไปก็ให้เชื้อคุมไปเลยครับให้เชื้อคุมติดเอาไปด้วยเพียตร์ซูต้องการให้สาวกของพระองค์นั้นแสดงความรักที่อยู่เหนือธรรม บ, บัญญัติครับนี่คือการทําให้บัญญัติสมบูรณ์ก็คือว่าบัญญัตินั้นนะครับไว้สําหรับเพื่อที่จะอิเดนติฟนะครับหรือเป็นการบ่งบอกถึงความผิดบัญญัตินะครับว่าถ้าคุณทําเกินนี้ถือว่าผิดนะครับแต่ ความรักนั้นก็อยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับความรักนั้นอยู่เหนือข้ะบัญญัติของพระเจ้านะครับบางคนอาจจะถามว่าแล้วสาวบจะใช้อะไรคุมร่างกายตอนกลางคืนครับพี่น้องครับเรามาดูนะครับว่าพระคัมภีร์มีคําตอบนะครับท่านอัครทูตปาโร ม, มีคําตอบที่ดีสําหรับคําถามนี้นะครับในโรมบทที่สิบสองข้อสิบเจ็ดถึงยี่สิบเอ็ดนะครับผมจกให้พี่น้องฟังโรมบทที่สิบสองข้อสิบเจ็ดถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดยาทำชั่วตอบแทนชั่วแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลย แต่จงมุ่งกระทําสิ่งที่ใครๆก็เห็นว่าดีถ้าเป็นได้คือเรื่องที่ขึ้นอยู่กับท่านจงอยู่อย่างสงบสุขกับทุกคนดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทําการแก้แค้นแต่จงหอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงสะอาดยาพเพราะมีคาเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าผมผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองอย่าแก้แค้นเลยถ้าะตะกรูของท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ําก็จงให้เขาดื่มเพราะว่าการกระทําอย่างนั้นเป็นการสมฐานที่ลุกโครงไว้บนศีรษะของเขาอย่าให้ความชั่วชนะเราได้แต่จงนนะชง น, นะความชั่วด้วยความดีถึงครับพมพีบอกว่าให้เราชนะความชั่วด้วยความดีถ้าศัตรูหิวต้องให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายน้ําก็จงให้เขาดื่นครับนะครับอันนี้คือการ เปลี่ยนสัตว์ูให้กายเป็นมิตรครับเรามาดูตัวอย่างประการที่สามที่เบียซูใช้ในมัทธิวบทที่ห้าข้อสี่สิบเอดครับเบียซูตรัสว่าถ้าคูณใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่งกิโลเมตรก็ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตรที่นะครับในสมัยก่อนนั้นปาเลสไตน์มีทหารโรมโรมันนะครับครอบครองอยู่มีหลายครั้งที่เขาบังคับให้ชาวยิวแบกของนะครับหรือสัมภาระต่างๆนะครับพวกโรมันชอบใช้ถ้อยคําหยาบคายกับคนยิวครับและเอาเกณฑ์ สั่งให้คนยิวเดินทางนะครับแบกของไปหนึ่งกิโลเมตรเพื่องานของเขาพระเยซูบอกว่าไงครับพระเยซูบอกว่าให้ไปกับเขาไกลอีกเท่าหนึ่งครับไปอีกหนึ่งกิโลเมตรครับนี่คือซ e c o n d mile นะครับก็คือเป็นหลักการของกิโลเมตรที่สองครับพระเยซูไม่ต้องการให้สาวกของพระองค์บ่นต่อการถูกบังคับแรงงานจากพวกคาลโรมันพระองค์ต้องการให้เขามีธาตีกของความรักและความเต็มใจมากกว่านะครับถูกบีบังคับหรือการถูกขอให้ทําครับ ลองนึกถึงภาพนะครับว่าพวกฐานโรมันคงจะประทับใจชาวพวกพระเยซูขนาดไหนหรือคริสเตียนมากขนาดไหนเมื่อคริสเตียนดําเนินตามคำสอนของพระเยซูท่างครับผมอยากจะสรุปคําสอนของพระเยซูเรื่องการแ ก, แก้แค้นนะครับการตอบแทนนะครับด้วยการสอนเรื่องการให้ทานครับและการให้ขอยืมในข้อที่สี่สิบสองพระเยซูกําลังสอนชาววกของโปร่งเกี่ยวกับการให้และการให้ยืมครับ บทบรรยัติในเรื่องการให้ยืมมัทย์ถึกอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่23ข้อ19ถึง20ครับและบทบัญยัติเกี่ยวกับการให้ทางอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติทบทที่15ก็ที่7ถึงข้อ11ทีนี้ครับลองจินตนาการถึงภาพนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้ติดตามพระเยซูได้ให้กับคนอื่นๆเหมือนกับที่พระเยซูทรงให้กับเขาพระเยซูต้องการให้เราให้ผู้อื่นตามความจําเป็นนะครับไม่ใช่ให้ตามความต้องการนะครับของเขาทีนี้ครับ ต้องให้ตามความจมเป็นนะครับไม่ใช่ให้ตามที่เขาต้องการนะครับขอพระเจ้าวอวยพรที่องช์จดทุกท่านตาเมน